ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะอกล่าบคณะครูบาอาจารย์ทุกรูปลุกสงฆ์ทุกท่านนะเจริญในธรรมจะยมนะปฏิบัติทุกคนก็เราได้มาพร้อมกันมาก็เนื่งว่าเมื่อวานเป็นวันเปิดนะวันนี้เป็นวันเปิดนะก็เตรียมม า, าตั้งแต่เมื่อวานแนละ้ว มาไม่ได้มาที่นี่หลายปีแล้วนะแต่ครั้งแรกที่มาเปิดอบรมที่นี่ปีสองห้าจได้ตอนนั้นเพิ่งลงปีสองห้ากลมาปีสองเจ็ดสองแปดตลอดลงมาจากที่ทํามไฟป่าสุกโตูแล้วก็ระยะหลังก็ได้มาบ้างไม่มาบ้างนะก็ใน ก่าจะมาถึงที่นี่ก็เรียกว่าผ่านมาหลายที่ตั้งแต่ทัพมิงขวัญ น, นะพ็ลงเครื่องมาทัามิงขวัญเป็นงานแรกพ็เสร็จจากทัามิงขวัญก็ไปนูน่นรันนารีสอร์ทเชียงใหม่เจ็ดวันแล้วมาที่ํำพูนอีกเจ็ดวันนะมาต่อที่เขาใหญ่เจ็ดวันเรามาที่ท่ามแสงเทียนห้าวัน ถ้าวันนี้เร่มาถึงที่นี่ตั้งแต่กลับมาก็ยังไม่ได้พักเป็นเรื่องเป็นราวนะทำงานตลอดก็เพราะว่าเรามีความไม่สบายกายไม่สบายใจส่วนก็หาทางออกกันซึ่งก็มามาถึงที่นี่แล้วก็เลยเดินเลาะดูป่าว่าเอะพรุ่งนี้จะพาโ ย, ยมไปปฏิบัติทางไหนดีมาเที่ยวนี้ตั้งใจมา ก็เลยเดินตามดูข้างหลังเป็นเห็นทางเดินจงกรมท่านทำอ้อมวัดมา <c oughs> ก็เลยว่าพรุ่งนี้น่าจะไปนั่งที่นั่นได้บางส่วนนะคนที่สมัครใจคนที่เคยปฏิบัติมาแล้ว น, นี่เพื่อที่เรามาแต่ละคนเนี่ยมายากลําบากแล้วก็รอโอกาสที่บางคนรอโอกาสมานานก็ควรที่จะได้มีเวลาทําอย่างเต็มที่จากช่วงอันนี้แล้วก็ กำหนดว่าเจ็ดแปดวันนี้ล้วก็ผ่านไปเลยอย่างน้วก็สองวันนี้ก็เหลือเวลาอีกเพราะนั้นวันที่สามที่สี่ที่ห้านี้เ็าจะขอโอกาสได้พาปฏิบัติต่อเนื่องกันดูสามวันสองวันหลังก็น่าจะเก็บอารมณ์ที่หกที่เจ็ดเพราะวันที่แปดเราก็ต้องกลับละเพราะเรามาแต่ละแห่งแต่ละที่จากบ้านจากเรือนมานี่ก็ลงลงทุน ต้นทุนสูงทีเดียวนะว่าต้องสละเสียสละความสะดวกสบายหลายๆอย่างเสละลูกหลานบัรช่องเสียสละที่อยู่ที่นอนสบายมานอนกลางดินกินกลางทรายนั่นเอก็ก็คนที่จะได้รับประโยชน์และอ น, นิสงฆ์ของการมาครั้งเนี้ยไม่มากก็น้อยนะเป็นบุญกุศลที่สัมผัสได้ ไม่ใช่บุญกุศลว่าเออได้ไปแล้วก็เป็นบุญไม่อยากให้คิดอย่างนั้นนะที่ว่าเป็นบุญเป็นอย่างไรอ่าเป็นบุญที่เป็นแตะจับต้องได้เนี่ยมันเป็นอย่างไรเนะี่ยเพราะนั้นในการขึ้นมาวันนี้ก็ให้พูดเป็นองค์แรกเลยที่นี่นะก็ไม่อยากจะให้เสียเวลานำเรื่องราวเก่าเก่ามาพูดให้ฟังเพราะว่าฟังกันมาเยอะและ้วแต่อยากจะนำเรื่องใหม่ๆมมาพูดฟังบ้าง เรื่องใหม่ๆคือเรื่องอะไรเรื่องใหม่ๆคือเรื่องที่เรายังไม่เคยฟังหรือเคยฟังมาบ้างแต่ว่าไม่บ่อยนะเรื่องเก่าๆคือเรื่องนอกตัวเราเรื่องใหม่ๆคือเรื่องในตัวเราถามว่าหลายคนรู้จักตัวเองดีหรือยังก็ลังเลเหมือนกันนะที่จะบอกรู้จักตัวเองดีรู้จักผมรู้จักดีผมชื่อในอ่า เพชรอยู่ที่ไหนอยู่บ้านน้องแกเป็นพี่ใครน้องใครน้องพ่อบุญธรรมลูกแม่อะไรไตอบได้หมดเลยนะพี่ยายเพชรเป็นลูกใครผัวใครเมียใครพ่อใครแม่ใค ร, ใ, ค ร, ใ, ค ร, ใ, ครในรู้จั ก, จกอันนี้เรื่องเก่ารู้กันหมดนะแต่เรื่องใหม่ๆถามว่าพ่อยายเพชรความรู้ความปวดความหลงหมดหรือ ย, ยังชักหลังเลเหมือนกันพ่อยายเพชรว่าอย่างไร หมดได้ยังหลายปีแล้ว <c oughs> เห็นไหยเรื่องใหม่จริงอ่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ต้องกลับเข้ามาดูตัวเองว่าเป้าหมายที่เรามาศึกษามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยดังนั้นเองเราก็มาฟังเรื่องของตัวเราเองเอาจต่มาเป็นสื่อให้ว่าตัวเราเองเนี่ยมีอะไรบ้างสมมุติเรามานั่งที่เนี่ย ไม่ใหญ่เห็นตัวเองบ้างไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นตอนแรกเอามายังไม่กล้าที่จะพูดอะไรเพราะให้อัแมงเมามาสอบอารมณ์ไม่ใหญ่ดูจะทนไหวไหมพอสอบอารมณ์ช่วยกันแผ่เมตตามันก็ไปมดเลยพอแผ่เมตตาเข้าไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายทั้งอื่นแล้วเราก็มาเรื่องของเราอันนี้คือเรื่องของเราที่อยู่ใกล้ๆตัวอแมงเมาเขาเป็น สัตว์ตัวมแมลงตัวสัตว์มแมลงตัวกัดสัตว์ตัวน้อยมาเอาบุญกับเราเราก็อย่าไปรังเกียจเขาแผ่บุญกุศลให้เขาแล้วเขาก็ไปทีนี้ในเรื่องของเราเนี่ยความเป็นสัตว์มแมลงเม่าในตัวเราก็เยอะนะเยอะในตัวของคนเราเนี่ยมันมีความเป็นทุกอย่างเขาเรียกว่าคน จะมาปนปนกันแล้วคนให้มันเข้ากันเรียกว่าคนคนนั้นคนนี้มาจากคําว่าคนละคนคนเพาความเป็นสัตว์นรกก็มีอยู่ในใจเราความเป็นเปรตก็มีอยู่ในใจเราความเป็นอสุรอสุรกายก็อยู่ในใจเราความเป็นมนุษย์ก็อยู่ในใจเราความเป็นสัตว์เทวสานก็อยู่ในใจเราความเป็นเทวดาก็อยู่ในใจเราความเป็นพรมก็อยู่ในใจเราความเป็นพระ ก็อยู่ในใจเราความเป็นพระอริยเจ้าก็อยู่ในใจเราความเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าพระประเจกอยู่ในใจเราหมดนี่มีทุกอย่างเลยในใจเรานี่เราอยากจะเป็นอะไรเป็นได้แต่เราต้องการเป็นจริงๆไหมเพราะเราคนเนี่ยคาว่าคนมันเป็นเขาเรียกวเป็นศูนย์กลางเป็นเซนเตอร์เป็นศูนย์กลางคนให้มันเข้ากันก็เรียกออกมาเป็นคน แต่เมื่อคนเข้ากันแล้วเนี่ยเรามีสัตว์ส่วนไหนมากกว่าล้วก็เป็นนั้นคนแล้วมีความเป็นมนุษย์มากกว่าแล้วก็เป็นมนุษย์และบางครั้งบางครั้งไอสัตวส่วนที่เป็นเทวดามากกว่าความเป็นเทวดาก็ออกมาบางครั้งความเป็นสัตว์เดรัจฉา น, นมากกว่าความเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ออกมาบางครั้งความเป็นเปรตมันมากกว่าความเป็นเปรตก็ออกมาบางครั้งความเป็น อาสุรกายมากกว่าอสุรกายก็ออกมาบางครั้งความเป็นสันนลกมากกว่าสันนลกก็ออกมาบางครั้งความเป็นพระอริยเจ้ามากกว่ามันก็ออกมาบางครั้งความเป็นพระอรหันมากกว่าก็ออกมาแล้วแต่จะพลิกหน้าไหนขึ้นมาในแต่ละวันมีทุกอารมณ์นะสังเกตไหมนะถ้าไม่สังเกตไม่มีดวงตานี่แหละเราถึงมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้ดวงตาเห็นธรรม มาปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่มาเอาอย่างอื่นนะมาเพื่อได้ดวงตาเห็นธรรมถ้ามางานแต่ละงานไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมกลับไปนี่ขาดทุนไม่น้อยเหมือนกันนะอผู้ที่เจ้าท่านแสดงธรรมท่านต้องการจุด น, นี้ท่านนั่นนะ่ะจะขุงอุทภาพปฏิยานังอุทภปฏิปัญญาอุทภปฏิวิชาอุทภปฏิอาโลโกอุทภปฏิต้องการแค่นั้นแหละจะขุงเกิดขึ้นแล้วแก่เรานะจะขุงในที่นั้นไม่ได้หมายถึงตานอก หมายถึงตาปัญญาตาวิชาตาญาณตาแสงสว่างนี่ถึงจะเห็นความเป็นอินเป็นภูมเป็นยักษ์เป็นมารเป็นสิงสาราสัตว์ในตัวเองว่าเรามันมีอันไหนมากเราก็จะเห็นแต่ถ้าไม่ได้ดวงตาตรงนี้นะมันมองไม่เห็นนะแล้วแต่หน้าไหนมันขึ้นมาแล้วก็เป็นหน้านั้นนะบางวันยักษ์มันเข้าเราก็โกรธโมโหชุนเฉียว บางวันเปรตมันเข้าแล้วก็อยากดีอยากได้อยากเด่นอยากดังบางวันไอศุมันเข้าแล้วก็อยากมียศมีศักด์อัคคราฐานบางวันสักว์มันเข้าก็อยากทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งถกเถียงกับผู้อื่นบางวันมนุษย์เข้าก็มีเหตุมีผลมีศีลมีธรรมขึ้นมาบางวันเทวดามันเข้าเป็นคนใจดีให้มีเวลาให้หมดใจดี ได้ของดีๆมาก็ดีใจได้ทำสิ่งที่ดีๆก็ดีใจบางวันพระพรหมมาเข้าใจเย็นสบายวันนี้ไม่อยากจะพูดจะด่าใครใจเฉยๆบางวันพระรหัสเข้ารู้สึกปล่อยวางไม่เอาอะไรกับใครเฉยๆรู้สึกปล่อยวางมีเหมือนกันนะภาวะที่เป็นพระรหัสก็เข้าเห็นไหม มันมีทุกอย่างทุกอารมณ์เขาจึางเรียกว่าคนไงจึงเรียกว่าคนที่เราจะเป็นคนแบบไหนละ่ะคุณแบบมนุษสเปโตมนุษย์ติลิชานูมนุษสะอาสุราายูมนุษย์ูโตมนุษสเทโวมนุษสพรมาโนมนุษสพสุทธโอมนุษย์สารหาโตจะเป็นอันไหนเดียกเลือกได้เลยนะเพราะฉะนั้นเขาถึงให้เกิดมาเป็นคนไงเรียกว่าคน นะดังนั้นในการที่เราจะเห็นภาวะต่างๆในกายในใจของเราได้ครบแล้วก็เลือกเอาอันหนึง่งเป็นซะอันหนึง่งอย่าเป็นหลายอั น, นถ้าเป็นหลายอันก็เรียกเป็นหลายใจเดียเยเด๋ยวจะเอาอยางงั้นเดี๋ยวจะเออย่างงี้คนหลายใจก็ไม่ใช้ไม่ได้อีกอะ่ะในคนใจเดียวใช้ได้เราจะเป็นใจแบบไหนล่ะเลือกเอาเนี่ยการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากเพราะมันเลือกได้ สัตว์อื่นเลือกได้ไหมไม่ได้ถูกตัดสินเรียบร้อยแล้วเป็นพระอินทร์พระพรหมก็เรียบเลือกถูกตัดสินแล้วแต่เป็นมนุษย์เนี่ยเขาให้มาทดสอบว่าคุณจะเป็นอะไรเกิดมาครั้งนี้ยไม่ถึงร้อยปีคุณรีบเลือกซะคุณจะเป็นอะไรจะเป็นเทวดาให้ทําอย่างนี้จะเป็นมนุษย์ให้ทําอย่างนี้ให้เป็นพระพรหมให้ทําอย่างนี้ให้เป็นพระอริเจ้าให้ทำอย่างนี้อยากเป็นพระพุทธเจ้าให้ทําอย่างนี้เขาให้เลือกมาให้หมด เราก็พระพุทธเจ้าก็ให้หลักสูตรมาแต่พวกเรามาที่นี่เรามาเลือกเป็นผู้มีสตินีเป็นผู้มีความรู้สึกตัวคนไหนมีความรู้สึกตัวถูกต้องก็จะเป็นมนุษย์คนไหนที่ถูกต้องมากขึ้นมีมนุษย์ถูกต้องคืออะไรมีศี่ห้าถ้าเป็นมนุษย์แต่ว่า มีสินห้าไม่ครบนี่เขาก็เรียกกับเป็นมนุษย์กี่เปอร์เซ็นมีข้อเดียวกับเป็นมนุษย์ยี่สิบเปอร์เซนมีสองข้อก็เป็นมนุษย์40สี่สิบเปอร์เซนมีสามข้อก็เป็นมนุษย์หกสิเปอร์เซ็นมีสี่ข้อก็เป็นมนุษย์80ดสิเปอร์เซมีห้าข้อเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นเลยกขาเรียกว่าสินห้าอ่าข้อละยี่สิบเปอร์เซนอ่าทีนี้เราก็ประเมินตัวเองออกเราเป็นมนุษย์กี่เปอร์เซ็นก็ดูที่สินของเรา แต่บางคนมีศีลห้ายังไม่พอนะเป็นมนุษย์ 100% ยเรเังไม่พอมีฮิริโอตปะที่พระพุทธเจ้าท่านบอกฮิริโอตปะสัมปนาสุกธรรมสมาฮิโตสันตาสปุริซาโรเกเทวาธรรมติวุจเลเราเกล่าวว่าคนมีผู้มีศีลห้าแล้วก็ยังมีอายชั่วกลัวบาปเราเรียกคนนั้นว่าเป็นเทวะธรรมมีเทวะธรรมเป็นเทวดาู้ไดมี มีศีลห้ามันจะตกลองอีสานเลยอะไรเงี้ยเดลศูนย์บอกมาดุลได้นี้อ่าผู้ใดมีศีลห้ามีฮิลีอุตปาแล้วโอ้จเจริญพรหมวมิหารได้อีกจเจริญสมถะได้อีกอ่าคนนั้นเป็นพระพรหมทำจิตให้สงบได้ทำจิตให้สบายได้มีใจเย็นได้ใจไม่ร้อนในบางครั้งบางคราวเป็นพระพรหมแล้วบางคนจเจริญ สมรฐ า, านกรรมฐานยัีไม่พอถือศีลหา้าฮิลีย์อะไรไปพอจะเริ่วิปัสนาได้ด้วยรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จกักแก้ไขตนเองไม่ให้มีทุกข์อ่าตรนี้เป็นพระแล้วเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระเจ้าชั้นไหนก็ว่ากันไปเห็นไหมมันมีให้เลือกได้แต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นคนที่จะไปเลือกประตูแถวนี้เข้าไปได้ต้องมีกุญแจอยู่หนึ่งดอก เป็นกุญแจประตูใหญ่เลยก่อนที่จะเข้าประตูเล็กเนี่ยประตูหน้าวัดต้องเปิดเข้ามาได้ก่อนปินกำแพงไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะนั้นต้องหากุญแจตัวหลักเนี่ยเขาเรียกว่ากุญแจหลักหลวงพอเทียนท่านพรุทธเจาท่านค้นพบแล้วก็มาบอกสองพันกว่าปีแล้วแล้วกุญแจเกิดมันชำรุดเสียหายขึ้นสนิม หลวงพ่อเทียนก็เลยไปเอากุญแจนั้นมาเคาะใหม่มาแต่งใหม่มาขัดใหม่เป็นกุญแจลูกเดิมแต่ว่าเอามาทําใหม่กุญแจดอกนี้เรียกว่าความรู้สึกตัวที่เรียกว่าสติปัญญานเห็นไหมก่อนหน้านั้นมีไม่มีแต่ว่ามันเป็นสนิมเอาไปไขไม่ได้เอาไปเปิดไม่ได้หลวงพ่อเทียนท่านมีวีดีโออยู่ม้วนหนึ่งเรียกว่ากุญแจลูกเอกกุญแจดอกเอกถ้าคนไหนยังไม่วันหลังท่านอาจจะมาฉายให้ดูก็ได้ กุญแจลูกเอกคือท่านเอากุญแจมาเลยน ะ, ะดึงให้ดูเออเนี่ยเวลามาทำอย่างเงี้ยมันปิดอย่างเงี้ยเวลามาทำอย่างงี้มันเปิดอย่างเงี้ยท่านทําให้ดูอวีดีโอชุดนั้นอะ่ะทีนี้พวกเรามาเนี่เรามาหากุญแจดอกเนี่ยกุญแจนี้ยืมกันไม่ได้นะของใครของมันต้องหาให้เจอกุญแจของตัวเองอ่าถ้าหากุญแจตัวนี้ได้เราก็เปิดประตูได้กุญแจนี้หาอย่างไรก็คือมาทําความรู้สึกตัว ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ถ้าความต่อเนื่องไม่เป็นลูกโซ่ก็สำเร็จยากเหมือนกันแต่ถ้าความต่อเนื่องเป็นลูกโซ่อย่างถูกต้อง อ, อนันบอกว่าอย่างช้าที่สุดไม่เกินเจ็ดวันอย่างเร็วที่สุดไม่เกินเจ็ดวันถึงเก้าสิบวันอย่างช้าอย่าง้อย่างช้าอย่างเร็วนะอย่างเร็วเจ็ดวันอย่างช้าก็คือ เจ็ดวันถึงเก้าสิบวันในวิธีการหลพ่อเทียนแต่หลวงพ่อสิทธัตถะบอกว่าตั้งแต่เจ็ดวันถึงเจ็ดปีแต่หลวงพ่อเทียนบอกว่าเอาแค่สามปีพอละนั่นว่าเห็นไหมอี่ท่านพวกุญเชรแล้วมาบอกเรา <c oughs> เราก็ทําตามอาตมาก็ทําตามท่านตั้งแต่ปีพศสองพังร้อยี่สิบมาถึงปัจจุบันก <c oughs> ี่ปีแล้วน่ะทำตั้งแต่นู่นมาตอนแรกก็ทําผิดบ้างถูกบ้างนะเพราะว่าอะไร เพราะว่าปัญญามันยังไม่เกิดปัญญาศรัทธามีสองอย่างหนึ่งศรัทธาที่เกิดในพระศาสนาสองศรัทธาที่เกิดจากการเห็นพุทธศาสนาศ <c oughs> าสนากับพุทธศาสนาคนละเรื่องนะที่สอนกันทั่วไปคือสอนศาสนาไม่ค่อยได้สอนพุทธศาสนาที่มารู้เรื่องว่าสอนพุทธสนาจริงๆก็ม่เห็นหลักการข่งพุทธินี่แหละสอนพุทธศาสนาพุทธแปลว่าอะไร ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมนี่สอนให้รู้ตื่นเบิกบานจริงๆนะไม่ใช่รู้ตื่นเบิกบานแบบตำร า, าหรือทําเอาไม่ใช่รู้ตื่นเบิกบานจริงๆรู้อะไรรู้เนื้อรู้ตัวรู้จักตัวเองนี่รู้ได้ตลอดไหมขณะนี้ตัวเองเป็นไงสุขหรือทุกข์เห็น ขณะ น, นี้ตัวเองสบายหรือไม่สบายเห็นขณะ น, นี้นตัวเองคิดหรือไม่คิดเห็นขณะ น, นี้นตัวเองเศร้ามองหรือผ่องใสเห็นขณะ น, นี้นตัวเองมีทุกข์หรือไม่มีทุกข์เห็นนี่เขาเรียกว่ารู้อย่างนี้นะเห็นไหมสํารวจไปในกายตัวเองมีไหมภาวะอย่างเนี้ยมีนะรู้ตื่นนะตื่นในที่ไม่ใช่ตื่นตุ้มนะอตื่นกายตื่นใจ ายมันตื่นใจมันตื่นอคนตื่นคือคนไม่หลับแต่คนหลับเป็นไงมันฝันใช่ไหมหรืบางทีบอกว่าไม่ฝันไม่ใช่มันฝันแต่แต่มันจำไม่ได้ก็เรียไม่ฝันคนตื่นคือคนไม่ฝันฝันกลางคืนกลางคืนเรียกว่าฝันกลางวันเรียกว่าคิดคนที่กําลังคิดอยู่คิดอะไรอยู่นั่นแหละคือคนหลับ แต่คนกำลังรู้อยู่กำลังคิดอะไรกาลังเป็นอย่างไรขนาดนี้นนเรียกเรียคนตื่นเพราะฉะนั้นวันวันหนึ่งเราตื่นหรือเราหลับเรายังหลับอยู่คือยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่อ่ะแต่คิดมีสองคิดหนึ่งคิดแบบตื่นสองคิดแบบหลับคิดแบบตื่นแบบไหนแบบมีสติในการคิดคิดโดย สติปัญญานี่เขาเรียกว่าคิดแบบตื่นเราไม่เรียกว่าเราไม่เรียกว่าคิดเราเรียกว่าปัญญาถ้าคิดนี่เขาเรียกว่าสังขารถ้าขาสดสตินี่มันเป็นสังขารถ้ามีสติมันกลายเป็นปัญญาตัวเดียวกันนั่นแหละ Adding นะทีนี้ถ้าหากว่าไม่มีสติมันก็เรียกว่าหลับฝันกลางวันฝันลึงหลูกเรื่องล้านฝันลึงบาง้านเลื่องช่องฝันลึงรกเลื่องลาเบืง ฝันฟุ้งไปจากเรื่องนี้แล้วกับเรื่องนั้นกัางวันในฝันมากกว่ากลางคืนอ่าฝันมากกว่าเพราะมันกลางคืนนี่ยมันมาทางเดียวมาทางใจแต่กลางวันมาตั้งหกทา ง, ทางตาก็ทําให้ฝันหูก็ทําให้ฝันจมูกทําให้ฝันลิ้นทํำให้ฝันกายทํำให้ฝันใจทําให้ฝันทั้งหกทางมันจึงเยอะกว่าไงคนก็เลยไม่ตื่นตราบใดที่อยู่ในความคิดอยู่เรียก ว, ว่ายังไม่ตื่นแต่ความคิดมันก็นําไปแล้วทีนี้ นําไปเป็นพบเป็นชาตินะทีนี้รู้ถ้าเราตื่นแล้วเราก็จะไม่ใช้ความคิดแต่เราอย่าใช้ความรู้สึกตัวรู้ตื่นแล้วก็ตื่นแล้วเป็นไงก็ต้องเบิกบานถ้าตื่นที่แท้จริงมันจะเบิกบานนะถ้าจืนไม่จริงมันก็จะไม่เบิกบานอ่ามันสัมพันธ์กันนะ่ะนี่ คือเรามาหาตัวนี้คือเรามาทําให้เกิดตัวนี้นะมาทําให้เกิดตัวนี้ถ้าทําแล้วมันไม่เกิดตัวนี้เรียกว่ายัางไม่พบตัวเองอยังไม่ได้ดวงตาบางคนมาทำมาสิปียี่สิปียังเพราะอะไรเพราะไม่ถูกกติกากติกามันว่าอย่างไรกติกาก็คือให้มารู้ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ ลูกโซ่ขนาดไหนจะเดินจงกรมสร้างจังหวะทั้งวันอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่รู้ตัวเป็นลูกโซ่ะจะเดินจงกรมหรือไม่เดินจงกรมไม่ไม่จำเป็นรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนกํำลังทําอะไรรู้ว่ากําลังจะลุก ร, รู้ว่ากำลังจะเดินขณะเดินรู้ขณะกินรู้ขณะล้างถ้วยล้างชามรู้ไปตลอดนี้เขาเรียกรู้เป็นลูกโซ่ รู้สึกตัวเนี่ยนะนี่คือสำคัญตรงนี้เองแต่ส่วนใหญ่พอมานั่งสร้างจังหวะเดิโยกรมเนี่ยพอรู้สึกตัวเอาพอลุกไปเนี่ยฝันต่อเลยหลับก็ ค, คิดต่อเลยจะไปไหนหนอจะไปบ้านกน็ใจไปอยู่บ้านฝันถึงบ้านแล้วมันขาดทันทีเนี่ยมันยากตรงนี้ดังนั้นเวลาเรามาทำเนี่ยก็จึงไม่อยากจะให้เสียเวลาตอนหลังมาามาไม่ไม่เสียเวลาที่จะพูดนอกเรื่องเลยนะ เอามาพอพอมาพูดเรื่องเอามาไม่เคยว่านําเรื่องอเมริกามาเล่าอย่างนู้นไม่ไม่เคย บ, บางแห่งที่โยมถามมีอยู่แต่จะอาศัยเวลาช่วงเนี้ยบอกเรื่องจริงเนี่ยมันหาโอกาสมายากแล้วก็เวลาจํากัดเพราะแต่ละวันเวลาเรื่องอื่นมันเข้ามาเยอะแยะเหลือเกินแต่เรื่องที่เราจะได้ยินได้ฟังเรื่องของตัวเองเนี่ยมันน้อยมากเพราะนั้นจะรีบพูดรีบบอกเรื่องนี้ให้ชัดๆว่า เราหากุญแจมาเปิดตาเราได้หรือยังความรู้สึกตัวเนี่ยต่อเนื่องหรือยังความรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยชัดเจนหรือยังนะอย่างเรานั่งไปนานๆถ้ารู้ว่าเออมันปวดเนี่ยนานๆมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมบางคนลุกขึ้นมาก็เซซ้ายเซย ซ, ยซกเซหัวเลยเพราะอะไรเพราะเวทนาตรงนี้มันบีบคั้นนานเกินไปทำให้เส้นสายมันยึดมันตาย เราเขาต้องรู้ตัวก็รู้ตัวแล้วทําไมรู้สึกตัวแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนอย่างรู้สึกตัวความสบายก็เกิดขึ้นหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมันก็ปวดท้องมันใหม่แหละเป็นอยู่เงี้ยอันนี้คือวิธีรู้สึกตัวแบบง่ายๆรู้ที่ทุกขเวทนาเสก่อนนะแต่รู้จากนอ ก, นอกที่สุดคือรู้การเคลื่อนการไหวทั้งอิริบุใหญ่อิริบทเล็กลึกเข้าไปอีก รู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเจ็บปวดรู้ชัดชัดพารู้เพื่ออะไรเพื่อแก้ไขแก้ไขทำไมเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สิ่งเป็นทุกข์แก้ไขเอาทุกข์ออกไปเพราะร่างกายมันไม่เที่ยงมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผลของความเปลี่ยนแปลงของมันออกมาเป็นทุกข์กต้องกำหนดรู้ทุกต้องศึกษาทุกต้องแก้ไข ท่านบอกไว้เลยถ้าเมื่อไรมันเกิดสมูทัยขึ้นมาก็ลำบากแล้วเราอยากจะไม่ให้มันทุกเป็นสมูทัยเราอยากจะให้มันสบายเป็นสมูทัยเราไม่อยากจะให้มันเกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นสมูทัยแล้วความอยากจึงเป็นสมูทัยเราอยากจะนั่งนานๆแต่มันไม่นานมันเริ่มไม่สบายอยู่ที่นี่อยากไปที่อื่น นั่งนานๆอยากลุกอยากลุกเมื่อได้ลุกอ่าอยากลุกก็เป็นกามาตัฐหาเมื่อได้ลุกอ่าเป็นวิภวะตัฐหาเล่นงานเราอีกทีนี้ทําไงเอาอะไรไปแทนอยากเอานเโรุเข้าไปคือแก้ไขเอาความไม่สบายนั้นออกเสียความอยากอันเกิดจากความไม่สบายคืออยากความทุกข์ก็หายไปนะก็หายไป การที่เรามีสติเข้าไปรู้ขบวนการว่ามันเจ็บอย่างไรมันอยากจะพลิกจะเปลี่ยนอย่างไรแล้วเปลี่ยนไปแล้วมันรู้สึกอะไรเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนตรงนี้เขาเรียกว่ามันเป็นการใช้สติเข้าไปดูแล้วเปลี่ยนครั้งเดียวมันจบไหมไม่จบเดี๋ยวพอเปลี่ยนครั้งนี้มันก็ปวดอีกแล้วเอาพอเปลี่ยนไปเป็นมาสบายใจมันสบายเกินไปง่วงที่นี้ ตัวใหม่มาอีกแล้วความวัวยังไม่หายความคพายเข้าแทรกปวดเนื้อปวดตัวเบื่อยังไม่หายเอา้าง่วงเข้าใหม่แล้วเห็นไหมมันมาหลายตัวเนี่ยความเป็นทุกข์มันมาหลายทางอ่าทุกต้องกําหนดรู้ง่วงก็ลืมตาบ่งกวนบางคนนั่งสร้างเกียร์วะไม่พอนะหลับตาด้วยนี่หลวงพ่อเทียนท่านไม่ให้หลับตาเพราะอะไรเพราะขนาดเราลืมตามันยัง ง, ง่วงเลยก็หลับตามันก็ไปกันใหญ่นั่นเองบางคนถ้าไม่นั่งสร้างเกียร์วะถ้าไม่หลับตารู้สึก สร้างเยวาวะไม่ได้อีกนี่เขาเลยติดหลับตา ม, มานานอืมเพราะฉะนั้นลืมตาข้องกวา้างหายใจลึกๆนี่วิธีการของมันเวลามันไม่สบายไปไงก็มาสํารวจตรวจสอบแล้วก็กำหนดรู้แก้ไขไปทุกต้องกำหนดรู้สมูทยัยความอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นก็ตัดออกไปไม่ต้องอยากพอเปลี่ยนก็เปลี่ยนพอแก้ก็แก้เอานิโรธมาใช้เลยอย่าให้เกิดสมูทยัยง่ย คือแก้ไขให้มันหมดไปซะเนี่ยก็นิโรธแล้วแก้ไขมันอีกแล้วแก้ไขมันอีกขยันแก้ไอ้ตรงขยันแก้นี่เรียกว่ามักมักต้องเจริญทําให้มักๆทําให้มันบ่อยๆรู้ให้มันเรบบไม่ใช่เปลี่ยนบ่อยๆนะไอ้เปลี่ยนบ่อยๆก็ไม่ได้คือรู้มันบ่อยๆกำหนดรู้มันบ่อยๆกำหนดรู้มันเยอะๆกำหนดรู้มันให้ทันๆนี่ก็เรียกว่ามักแล้วก็นิโรธก็คือตัวทําให้เวลามันหายไป อันนี้เรียนอเยสสีจากกายจากรูปก่อนนะถ้ามันไม่มีเรียนจากรูปเนี่ยมันไปดูนามเลยไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นนามธรรมเราจะเรียนรู้นา ม, มาธรรมต้องผ่านรูปประธรรมเสก่อนอะนะนเวลาเขาสอนหนังสือกัน่ะเขาจะมีหุน่นมีอะไรมาไม่แต่คนจะตัดผมเนี่ยเขาก็จะเอาหุ่นมาให้ตัดเสีก่อนไม่ ง, งั้นมันตัดไปไม่ได้เหมือนกันเราเอากายเนี่ยเป็นที่ตั้งของการศึกษาอ่า กลายเป็นที่ตั้งของความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดนะความจริงแล้วลึกๆแล้วเราต้องการไปศึกษาการเปลี่ยนแปลงคืออณิจจังทุกขังอนัตตาของจิตนั่นแหละแต่ว่าเราจะไปดูตรงนั้นเลยไม่ได้เพราะว่ามันไม่เห็นดวงตาเรายังไม่เกิดต่อไปบางคนได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ไปศึกษาตรงนั้นเลยดูความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความเป็นทุกข์ความแตกดับของอารมณ์เลยแต่ว่า อารมณ์หรือนามรูปหรือความคิดไม่ได้เกิดตลอดเวลาเกิดเป็นบางครั้งใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบกับทุกขเวทนาเกิดทางกายกับทุกขเวทนาเกิดทางจิตเนี่ยอันไหนเกิดบ่อยกว่าไม่ออกข้างหลังนั่นนได้ยินไหมหลวงพ่อพูดอ่าได้ยินได้ยินตั้งใจฟังนิดหนึ่งเรื่องนี้หาฟังยากนะทุกขเวทนาที่เกิดกับกายกับทุกขเวทนาที่เกิดกับจิตเนี่ยอันไหนบ่อยกว่ากันอันไหนเร็วกว่ากัน เราพลิกท่าหนึ่งกว่ามันจะปวดอีกครั้งหนึ่งหลายนาทีไหมบางคนนาทีหนึ่งก็ปวดใหม่แล้วบางคนสามนาทีปวดแล้วบางคนห้านาทีถึงปวดบางคนนั่งได้ถึงสิบนาทีนะถึงจะปวดนี่ความเข้มแข็งความหมอนัยของร่างกายไม่เท่ากันแต่ใจของเราเนี่ยเวลาเราไม่รู้เท่าทัน่มันอยากปวดมันอยากเปลี่ยนมันอยากไปมันอยากคิดทุกวินาทีอ่ะ เดี๋ยวมันจะเอาอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะอย่างงี้เดี๋ยวมยนันจะง้นซึ่งร่างกายเขาก็ทนอยู่มากกว่าแต่จิตใจบางทีถ้าหากว่ามันมีความอยากเข้าไปตามรู้ไม่ทันเนี่ยมันก็เปลี่ยนบ่อยนะตรงนี้เขาเรียกว่าสมูทัยสมูทัยมีสองส่วนสมูทัยที่เกิดทางรูปและสมูทัยที่เกิดทางนามแต่เบื้องต้นเนี่ยให้รู้จักรูปนามก่อนให้ชัดชัดรูป การู้จักลูกรู้จักอย่างไรรู้จักว่าเราเป็นนายนั้นนางนี้เป็นพระเป็นเนนเป็นเทนเป็นชีรู้ลูปอย่างนี้ถูกต้องไหมรู้เราประกอบด้วยอาการ12ประกอบด้วยธาตุสีผมขนเล็บฝันหนังรู้อย่างนี้รู้ลูกอย่างนี้ถูกต้องไหมรู้แบบสมถะคือรู้เป็นรู้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นชื่อเป็นนามก็รู้แบบสมถะแต่ที่เรามาทำตรงนี้เราไม่ได้มุ่งเรื่องสมถะ แต่เรามุ่งเรื่องวิปัสนาสมถะก็วิปัสนาต่างเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่อีกนะจะไม่ลงรายละเอียดแต่ให้รู้ว่าความที่เราดูกายเนี่ยดูรูปที่จะเป็นวิปัสนาดูแบบไหนถ้าดูเป็นชิ้นเป็นอันเป็นก้อนเป็นดุนเป็นแท่งเป็นอาการสามสองเป็นธสี ดูแบบนี้ก็เพ่งดูเป็นอันเป็นอันไปนี่อันนี้ก็เลยดูแบบสมถะถ้าดูวิปัสนาเป็นแบบไหนดูวิปัสนาก็ดูอาการที่มันเกิดอะไรขึ้นลูกเกิดอะไรขึ้นดูที่อาการอาการสารที่สองน่ะทั้งสิบสองอาการเนี่ยมันออกมาเป็นอะไรร้อยเปอร์เนหรือเกือบร้อยเอร์เซนเนี่ยอาการสารที่สองของเราเนี่ยที่ปรากฏตลอดเวลามันปรากฏเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เออไม่ออกปรากฏเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ปรากฏเป็นทุกข์คือไม่สบายดูตรงนั้นทุกข์ต้องกําหนดรู้ไงไอความไม่สบายเนี่ยต้องรู้ทุกข์ต้องกําหนดรู้ดูที่อาการว่ามันเป็นทุกข์จะให้มันสุกหน่อยก็ยากสุกนี่แทบจะไม่มีอะไรลยหละเราเกิดมาทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปถ้าไม่มีทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับพระพุทธเจ้าท่านตัดอย่างนถ้าไม่มีการเกิดทุกข์แล้วไม่มีการดับทุกข์พระพุทธเจ้าไม่จําเป็นต้องเกิด เน่เห็นไห้ผู้ทีเรียกเกิดเพราะก็มาสอนเรื่องสองเรื่องนี้เท่านั้นเรื่องทุกข์กับการดับทุกข์เท่านั้นแล้วมันเป็นสัจธรรมตรงที่มันมีอยู่ในทุกมวลตัว ต, วตวนทุกสัตว์ทุกคนแต่ถ้าว่าใครเข้าไปศึกษาเข้าไปกําหนดรู้เข้าไปสังเกตเข้าไปพิจารณาเข้าไปเฝ้าดูตามรู้ตามเห็นอาการเหล่านี้ตลอดเนี่ย <c oughs> เขาเรียกคนนั้นปฏิบัติวิปัสนาคนนั้นจะเป็นพุทธคิดอิสลามพราหมณ์ฮินดูไม่ไม่สําคัญ แต่เขามารู้จักอาการเหล่าเนี้เอาไปามาไปอยู่อเรกาสิบกว่าปีเนี่ยไปเจอบุคคลเหล่านี้หลายคนเป็นวิปัสนาโดยที่ไม่ต้องมารู้จักพุทธแล้วปรากฏว่าเดี๋ยวนี้คนที่อเมริกา น, นับถือพุทธศาสนาโดยที่ไม่รู้ตัวหนึงอะเยอะกว่าคนไทยนะยี่สิบเปอร์เซนของสามร้อยกว่าล้านคนอะมันมากกว่าหกสิบล้านอะเห็นไหมเขาทําเพราะคนยี่มีทุกข์มากก็ยิ่งขวนขวาย ห, หาการออก แล้วออกทางวัตถุนี่เขาออกมาเยอะมานานแล้วมันไม่พ้น <_ an> เขาก็เลยมาออกทางด้านด้านจิตใจนี่แหละคือมารู้จักมาศึกษาเพราะนั้นทุกทุกครั้งนะเห็น ห, หญม่ก็ไฮเท็เนกันนะเห็นแต่ที่แพล่แสงเทียนนี่ใครเข้าวัดไปเดี๋ยวขอยึดโทรศัพท์ก่อนเลยนะเพราะอะไรเพราะถือว่าเอาโมลรพิษเข้าไปสู่หัดนย ยึดก่อนเก็บที่มาไปจัดคอด้วยกันคอดเจ็ดวันนะเอาทุกคนเอาโทรศัพท์มารวมปุนนี่กองคนนึงเลยนะอรวันสุดท้ายก็มาบอกเขาเคยเ อ, อ, อ, อนกลับไม่งั้นเราไม่ยอมให้เข้าเพราะอะไรเพราะมาแล้วต้องสละของเล็กเลกน้อย น, ะนี้เดีก่อนมั้งงั้นลบปนเพื่อนแล้วจะเห็นว่าทุกต้องกําหนดรู้ทุกต้องศึกษาความไม่สบายเนี่ยนะความไม่สบายกายต้องศึกษาต้องเรียนรู้แล้วต้องแก้ไขเป็น ฝึกแก้ไขทุกทางกายไปก่อนก็เลกันพึกไปเรื่อยๆนะฝึกไปเรื่อยๆปิดสมัยิอ่าศึกษามันไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่ามันเกิดอะไรเกิดทักษะเกิดประสบการณ์เกิดความเข้าใจในส่วนที่เป็นรูปชัดๆเส้ยก่อนเพราะว่าดู รูปมันก็จะเห็นนามเองที่หลวงพ่อเทียนบอกว่าดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นทำดูกรรมเห็นปรมัตต์ดูอริยสัจเห็นนิพพานเห็นไหมดูเราจะดูเราจะดูจิตก็ดูที่กายดูกายเห็นจิตน่ยเพราะฉะนั้นเรายกมือเนี่ยอะไรมันพายยกคนตายยกเป็นไหมน่ะเพราะคนตายไม่มีจิตยกไม่ได้นะดังนั้นเราอยากจะดูว่า กายจิตเป็นยังไงยกมือ น, นี่จิตยกนะกายมันยกไม่ได้หรอกคนตายยกไม่ขึ้นแต่พอจิตพาเป็นเหมือนคนชักเหุ่นอ่ะอันนั้นพอมาศึกษาเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยโอ้คนทุกคนเนี่ยต้องการรู้เรื่องนี้แต่ทําเราทําไมเราไม่สอนการทําไมเราไม่บอกการเอาไปบอกเรื่องทานเรื่องศีลเรื่อง ผู้สารพัตไปงานวิปัสนาแต่ละงานเนี่ยมาไม่ค่อยไปก็บพ่อมีแต่เรื่องนอกตัวไอ้เรื่องในตัวไม่ค่อยพูดกันทั้งทั้งที่เรื่องในตัวมากมายมหาศาลนะแต่ไม่ค่อยพูดกันก็ไปพูดเรื่องเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นเวลามาไปจัดคอตอบรมนี่ก็ให้ถ้าจะพูดกันก็พูดแต่เรื่องนี้นะนอกจากเรื่องนี้ก็ไม่ต้องพูดกันเพราะเรื่องที่เราพูดออกจากคอตพอดีจะพูดนั่งพูดเดินั้งวันก็ได้แต่ในช่วงคอตเนี่ยไม่จําเป็นอย่าเอาเรื่องข้างนอกมาพูด เพราะมันเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะอยู่อย่างนี้ได้นะจะอยู่อีบางวันนี้ไม่ต้องพูดกันทั้งวันเลยนะวันโดยเฉพาะวันสุดท้ายนีให้ปิดวาจาไปเลยเพราะดูตัวเองอย่างเดียว mm hmm. เขาปรากฏว่าทุกงานได้อารมณ์นะคนได้อารมณ์ดีดังนั้นเราแต่ละคนนี่นะเกิดมายากเพราะนั้นอย่าไปใช้ร่างกายจิตใจนี่ไปทางที่ไม่มีคุณค่าอย่าไปใช้เวลานี่ไปทางที่ไม่มีประโยชน์ เพราะเราตายอยู่ทุกขณะตายอยู่ทุกเวลานาทีแล้วก็เอาคืนไม่ได้ใจทีนิดๆเขาเรียกว่าปฏิชันนบรณะตายแบบปกปิดอ่ะวันหนึ่งพอมันถึงที่สุดมันก็ตายแบบเปิดเผยเหมือนกันแต่ว่าตายในพุทธศาสนาท่านไม่ได้หมายถึงตายทางรูปนะแต่ตายทางนามทางรูปในพุทธศาสนาท่านบอกมันเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันแตกดับไปตามธรรมชาติ นไปไปสู่ท่าเดิมขอเขาดินน้ําลมไฟแต่ทางพุทธศาสน า, าเมื่อใดความทุกข์เกิดขึ้นก็ตายเมื่อนั้นเมื่อกี้เรานั่งท่านี้พออยู่ได้อายุมันเท่าไหร่อายุแค่ไม่ถึงห้านาทีมันบอกว่ามันทุกข์แล้วทุกข์แล้วต้องไงกําหนดรู้อ้าวเปลี่ยนท่าท่านี้ตายไปแล้วท่าใหม่เกิดอท่านี้เกิดแล้ว นี่เห็นไหมท่าเมื่อกี้ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นความทุกข์มันทำให้ท่านี้อยู่ไม่ได้มันก็ต้องตายไปก็มาเกิดท่าใหม่เกิดท่านี้พอเกิดท่านี้ทุกเกิดดีเกิดที่ไหนทุกตามที่นั่นรูปมีที่ไหนทุกตามที่นั่นมีรูปที่ไหนนี่จังทุกขรั้งนา่าตามที่นั่นเมื่อไรหมดรูปมันตามไปถึงจิตด้วยนะแต่พอมาไปเกิดที่จิตเขาเรียกว่านา ม, มารูปแต่ว่ามาเกิดกับกายเรียกว่ารูปน้ํา ถ้าหากว่าไม่มีทุกเนี่ยคนเราไม่อยากคิดหรอกแต่มันคิดเพราะมันมีทุกแต่บอกผมคิดผมแบบไม่ทุกนะเขเรียกว่าทุกแบบไม่รู้ไม่รู้ทุกเขาพูดอย่างนั้นถ้าคนรู้ทุกแล้วเนี่ยโอ้ไม่อยากคิดคิดก็เหมือนกับเอาของมาแบกไว้แบกไว้หลายหชิ้นเนะี่ยหนักใจโอ้ไม่สบายใจก็ไม่สบายคิดก็เหมือนกับเอาของมาใส่ใส่ใส่ใส่เข้าไว้แต่ถ้าเอาของออกไปเรื่อยๆตัดความคิดออกไปตัดความคิดออกไปให้เหลือแต่ความรู้สึกตัวนั้นเวลาเราสวดว่าไง ภาราหาเวปัญจากขันธาความคิดเป็นของหนักเน้อพาราหารโรจะปุขโรคนโง่และแบกของความคิดพาไปพ า, าราทานังทุขังโลเกการแบกความคิดการอยู่ในความคิดเป็นทุกข์ในโลกภ า, ารานิเคปันังสุของอังการสลัดความคิดทิ้งเสียเป็นความสุขนะพเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าขันห้านั่นแหละแปลว่าความคิดอ่ะนะ แต่เราไม่บอกว่าขันหา้าบอกความคิดเลยง่ายดีนะแต่เร า, เราจะโง่หรือฉลาดแหละอ่าถ้าเรายังโง่ อ, อยู่แล้วก็แบกความคิดไปวันๆถ้าเราฉลาดขึ้นไม่ต้องแบกความคิดแบกความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวไม่ได้แบกแล้วเพราะมันคือชีวิตเรานะเพราะฉะนั้นมาไปที่ไหนมาก็จะพูดแต่เรื่องนี้แหละไม่ต้องมาเสียเวลาพูดเรื่องอไปอเมริกาอย่างไรอยู่อย่างไรกินอย่างไร ไ ม, ไม่ต้องพูดถึงเพราะมันมันเป็นเรื่องน อ, อกตัวแต่เรื่องในตัวของเราเนี่ยต้องตอบย้ําเพราะเราเจอกันไม่กี่วันกี่เวลาต้องจากกันไปทีนี้ก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยเรามีอะไรที่จะได้จากกันมั่งอะ่ะก็เรื่องนี้เท่านั้นนะเรื่องอื่นอมาก็ไม่มีให้เรื่องที่จะให้เกิดรู้กายรู้ใจเห็นกายเห็นใจเห็นกายเห็นใจรู้กายรู้ใจป<ร>เป็นแล้วได้แก้ทุกเป็นเมื่อแก่ทุกเป็นแล้วกลัวทุกไหมทีนี้ไม่ต้องกลัว เห็นทุกเท่าไหร่ก็สบายมากเหมือนเราเป็นหมออ่ะเป็นหมอของตัวเองเนี่ยโรคเกิดขึ้นก็แก้ไขทันทีไม่กลัวแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นหมอของตัวเองโรคเกิดขึ้นเป็นไงก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเราก็เหมือนกันถ้าทุกเกิดขึ้นก็หนุนไปหาอะไรอ่ะไปหาลูกหาผัวหาเมียหาบ้านหาช่องหาเงินหาทองหาข้าวหาของขาทรัพย์สินสมบัติตตลอดชีวิตได้สิ่งเหล่านี้มาทุกจบไหมไม่จบ มันก็ยังทุกข์เหมือนเดิมแต่ทีนี้เวลาเราทุกข์ขึ้นมาเราไม่หาสิ่งเหล่านี้เราหาอะไรหาตัวทุกข์ให้เจอว่ามันอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปหาลูกหาผัวหาเมียหาบ้านนายช่องหาตัวทุกข์ให้เจอว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรทุกข์หาไปหามาเราก็เจอที่พุทธเจ้าท่านท่า น, ท, านท่านเจอแล้วท่านอุทานอนนะอเนกชาติสังสารังสันทาวีสังอ น, นิพิสังกหาการังกเวสันโตทุกขาชาติปุณณภูนาง ขหาการกติโทษสิปุนาเกหังนาคาหาสีสภาเตพ้าสุกาพระกาขหกูตังวิสังกตังวิสังข้าระคดั ง, ง, ด ต, งติดต่างตานห้านังเจท่านซึ้งมากเลยนะบทนี้นะท่านดูทานออกมาเมื่อเรายังไม่มีสติจิตของเราเนี่ยมันคิดไปสารพัด ส, สารพันนับชาตินับทวนไม่นับชาตินั บ, น บ, นน บ, นบพบไม่ไม่ท่วนไม่รู้กี่พบกี่ชาติอนเอกนกชาตินับไม่ได้ บัดนี้เราได้สติแล้วเจ้าความคิดจะมาลบกปนใจเราไม่ได้อีกต่อไปเราได้โคงเลื่อนยอดเลื่อนคงเลื่อนคืออะไรคือขันหา้ายอดเลื่อนคืออะไรอวิชชาเราก็รื้อเสียแล้วนีสังขาราคาต่างจิตต่างจิตของเราไม่ปรุงแต่งอีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่ความสิ้นไปของความทุกข์เห็นไหมชัดนะท่านซึ้งมากไปเดี๋ยวนะ่ะ เป็นเราสวดเอามามาพิจารณายิ่งพิจารณายิ่งซึง้งเมื่อเรายังไม่ได้สติจิตของเรานี่คิดไปสารพัดเรื่องแต่เมื่อเราได้สติเราเห็นอ๋อไอ้เจ้าความอยากนี่เองทําให้เราคิดดูก่อนความอยากเราเห็นเจ้าแล้วเจ้าจะมาสร้างเรื่องสร้างเราให้ใจอีกไม่ได้อีกต่อไปท่านขู่มันเลยนะเรายมเคยขู่ความคิดมั้ยเคยชี้หน้าความคิดมั้ยไม่หรอกมันพาเราหัวซุกหัวซูลทั้งวันนะอยากก็ได้มันก็ผักใสผักอะไรใ ส, ใสหใสัวเราไป แต่ล้วันอ่าขอให้ได้มาอย่างใจก็แล้วกันได้ตามอยากก็แล้วกันถ้าไม่ได้ตามอยากฉันไม่ยอามอ่ะล้วก็ให้รับใช้มันอยู่อย่างนั้นตลอดพบชาติกับกันเราเคยชี้หน้าด่ามันบ้างไหมไม่เคยมีแดดจะเอาอะไรกูตอบสนองได้ทันทีนะวิ่งตามมันเหนื่อยล้าเมื่อยแต่หยุดไม่ได้เพราะมันเป็นทาตถ้าเราเป็นทาตของมันมันเป็นนายที่โหดร้ายแต่เราก็ รับใช้มันอย่างจงรักภักดีความโลภเกิดมาแล้วก็วิ่งหาสนองให้มันความโกรธเกิดมาแล้วก็เต้นแล้งเต้นการแต่มันความหลงเกิดมาแล้วก็สู่สนามเพลิดเพลินกับมันยุ่อย่างเงี้ยแตลอดภพชาติกับกันมาเราเคยเห็นมันบ้างไหมอไอผู้อยู่เบื้องหลังของไอสิ่งเหล่าเนี้ยเรามาที่นี่เราเพื่อจะมาเห็นสิ่งนี้เท่านั้นนะมาเห็นความคิดตัวเองมาเห็นความอยากของตัวเองแล้วจัดการกับมันได้ แต่ถ้าเห็นแล้วมันอยากมันต้องการมันคิดแล้วเห็นแล้วจัดการมันไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันมันเห็นกับงูไอ้สารพิษเข้าบ้านมาเราไม่จัดการเัามันเนี่ยเดี๋ยวเมันเผมก็กัดเราตายเหมือนกันนะความคิดก็เหมือนกันนะดังนั้นเองเราอย่าไปลังเลอีกต่อไปเลยเอามาก็เป็นธรรมดานะเรามันได้รับความรู้มาเยอะลังเลเป็นธรรมดาเอามาก็อย่าตัดสินใจได้ใช้เวลาหลายปีเหมือนกันก็จะทุ่มเทมาได้ แต่ตั้งแต่ปีสามศูนย์มาถึงปีห้าสามห้าสี่ปีนี้เนี่ยไม่เคยลังเลเรื่องนี้เลยยี่สิกว่าปีนะนะอยู่ที่ไหนทําแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเออเป็นครูบาอาจารย์มายี่สิบสาสิบปีแล้วไม่ทําไม่ใช่ทําทุกลมหายใจทีเดียวไปที่ไหนก็ทําเรื่องเนี้ยใครไม่ทําฉันก็ทําอ่าเพราะมันเป็นเรื่องของเราอะ่ะไอการที่ไปช่วยเหลือคนอื่นไม่บอกคนอื่นเป็นเรื่องที่เราสงเคราะห์ แต่คนส่วนใหญ่หลงประเด็นคือคิดว่ารู้ธรรมะเราต้องเดีววิไปสอนคนอื่นแต่ลืมสอนตัวเองเอาไปเอามาตอนแรกก็สอนตัวเองอยู่พอสอนตัวเองคนอื่นเพลินแล้วกิเลสมันเข้าเลยสอนตัวเองไม่เป็นสอนแต่คนอื่นเลยทุกขพาคนอื่นทุกไปด้วยมันเป็นอย่างนั้นะนะนดังนั้นเองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องพูดกันก่อนทีเดียวแต่อามาจะไม่เสียเวลาพูดเรื่องอื่นเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญ นะงนั้นเองมาก็อยากจะให้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะเพราะเราได้สติเราจะรู้เนื้อรู้ตัวก่อนเราจะไม่ทิ้งตัวเองนะไม่ทิ้งตัวเองถ้าหากว่าเรารู้จักแก้ไขบำบัดความทุกข์ของตัวเองอย่างมีสติปัญญามันจะเกิดจำตรวนี้ให้ดีนะ ถ้าเรารู้จักแก้ไขความทุกข์ที่เกิดกับกายกับใจอย่างมีสติปัญญามันจะเกิดแต่ถ้าเราแก้ไขทุกข์ที่เกิดกับใจกับกายอย่างขาดสติโมหะมันจะเกิดถ้าหากว่าเราแก้ไขมันด้วยสติที่เป็นสัญชัตยานโมหะเกิดทุกครั้งความจริงเอาอเวลาปวดขาพริกได้อยู่ทันทีโดยที่ไม่ต้องกำหนดรู้ ความปวดขาหายก็จริงแต่โมหะมันขึ้นมาแทนคือความลืมหลงโพวสัตว์มันก็มีแมวหมาที่มานอนกับที่นอนได้นานที่ไหนเดี๋ยวมันก็ลุกหนีทําไมมันลุกอะมันก็ทุกข์เหมือนกันแต่ถามว่ามันบับบรรทุกด้วยอะไรด้วยสัญชาตญาณมนุษย์เราก็เหมือนกันถ้าบั่บั่ทุกด้วยสัญชาตญาณก็ไม่ต่างกับมันเหมือนกันนะไม่ต่างนั้นเองการเคลื่อนไหวมีเท่ากันรู้สึกตัวมีเท่ากันแต่ว่าทําไม ความทุกข์ไม่เท่ากันเพราะบางคนรู้แล้วกําหนดตามรู้ไปเรื่อยๆบางคนตามรู้บ้างไม่รู้บ้างทุกข์ก็ยังมีอยู่บางคนนานๆที่จะตามรู้บางคนไม่ได้ตามรู้เลยตลอดชีวิตทุกข์ก็ยังท่วมอยู่ก็ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายนะอีกหลายภพหลายชาติหลายกับหลายกันแต่ถ้าหากคนไหนเริ่มมาดูตัวนี้มาศึกษาตัวนี้มาเข้าใจตัวนี้ถึงแม้ว่ากิเลสอาสวะไม่หมดชาตินี้พบชาติแล้วก็เหลือน้อยลงสั้นลงสั้นลง เรื่อยๆนะดังนั้นเองก็ใครจะเข้มแข็งใครจะอ่อนแอใครจะโง่ฉลาดก็ตามมาแล้วรู้เรื่องนี้เท่าเทียมกันแต่ขอให้มีศรัทธามีความเพียรนะเป็นใช้ได้เดี๋ยวทาไปทํามามันมันนี่เองมันรู้เองดังนั้นเองเรื่องนี้เอามาไม่ท้อยิ่งทํายิ่งสนุกเรื่อง เราก็เลยเป็นนี่พระผู้ดีเจ้าเป็นนี่เหลืองหลวงเทียนอามาก็เลยเาชาตินี้ยกให้ท่านไปเลยชีวิตเนี่ยยกให้หลวงพ่อเทียนไปเลยทํางานรับใช้ท่านไม่ต้องเอาอะไระเพราะความสุขความสงบความสบายเราได้แล้วเนี่ยเราจะเอาอะไรอีกอะ่ะจะเอาเงินทองหรือจะอยศตําแหน่งหรืออจะเรือนชานบ้านช่องไม่ต้องการแล้วพรากเราได้แล้วนี่ได้ความสุขสงบแล้วก็เอาความประสบการณ์ที่เราแสวงหาไปบอกกับเพื่อนเท่านั้นเอง ไปบอกคนคนไหนที่เข้าใจตั้งใจทําตามก็ได้เหมือนกันแต่จะตั้งใจมากน้อยนี่ขึ้นอยู่แต่ละคนนะนตั้งใจถูกต้องหรือไม่ถูกนี่ขึ้นอยู่แต่ละคนเหมือนกันอันนี้สอนกันไม่ได้ต้องไปสุม่มไปเสียงไปทดลองเอาเองก็แล้วกันแต่ถ้าหากมาถามบอกได้ยุแต่บอกแล้วถ้าไปทําไม่ถูกมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นผู้ที่จะรู้เรื่องนี้ได้ชัดเจนท่านบอกว่ามีเงื่อนไขยอยู่สองอย่างจําให้ดีหนึ่ง มีผู้รู้จริงมาบอกเรียกว่าการยาณมิตรสองเราเอาไปทำได้ถูกต้องตามที่ท่านบอกสองเรื่องเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่สำคัญอ่าบางทีเราก็ไปเจอผู้รู้ไม่จริงมาบอกเอาไปทำมันก็ไม่ถูกต้องหรือไปเจอผู้รู้จริงบอกเอาไปทำไม่ถูกต้องหรือบางทีเจอผู้ยิงมาบอกเราทำถูกบ้างผิดบ้างมันก็ช้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นท่านใช้คาว่ากยนานมิตรและ โยนิสโสมานัสิการสององค์ประกอบนี้เป็นบุพนิมิตแห่งมรรคและผลเป็นบุพนิมิตแห่งการรู้สิบตัวถ้าคนไหนได้นะกริยามิตรท่านก็พ่วงมาอีกสองตัวเรียกกริยานัสหายคือเพื่อนรู้ใจกันปฏิบัติ ด, ด้วยกันแล้วก็ให้กําลังใจกันเรียกว่ากริยานัสหายแล้วกิริยานัสระวังกตาคือได้สิ่งแวดล้อมที่ดีเรามาที่นี่เรามาต้องการสิ่งแวดล้อม มาต้องการพบกระยามิรคือครูบาอาจารย์มาต้องการพบเพื่อนนักปฏิบัติธรรมคือสรียะนสหายสามเงื่อนไขนี้เท่านั้นที่มาที่นี่นะถ้าเราทำที่บ้านก็ได้แต่อาจจะไม่เจอครูบาอาจารย์ทำที่บ้านก็ได้อาจจะไม่ได้กำลังใจจากมิสหายทำที่บ้านก็ได้แต่ว่าสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่ช่วยเหมือนมาที่นี่เราต้องการ ท, ที่นี่เท่านั้นแต่ ส่วนตัวของเราคือโยนิสุมานิสิการต้องมีคือความละเอียดความถี่ถ้วนเอาใจใส่สังเกตสังกาพิจารณาหาข้อถูกข้อผิดทดสอบทดลองพี่สูจน์นี่หน้าที่ของเราเรียกว่าโยนิสุมานิสิการตามภาษาพระท่านนะนัะ่นั่นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องชีวิตเป็นเรื่องของชีวิตแต่มาเห็นนักปฏิบัติแล้วทํากัน บางแห่งน <pareil. S 1> ะไม่ใช่ที่นี่นะบางแห่งพูดกันเล่นๆทํากันเล่นๆยกมือก็ยกไปเรื่อยเปลื่อยไม่เป็นจังหวะอย่างยกเนี่ยให้รู้จักยกให้รู้จักหยุดให้รู้จักยกสติมันเกิดตอนไหนเกิดตอนที่เราหยุดเกิดที่เรายกที่เรารู้รู้ว่าหยุดอันนี้ไปไปเรื่อยมันก็เป็นความเคยชินมันก็ไม่เก WOW. ิดสติดิเมื่อเกิดโมหะสร้างจังหวะเหมือนกันได้เกิดโมหะไปเรื่อยๆเพราะไม่รู้สึกตัวสร้างด้วยความเคยชิ ality, <million> น ก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันนะให้รู้จักจังหวะหยุดจังหวะยกให้ชัดนะไม่ช้าเกินไปไม่ไวเกินไปพอดีพอดีเนี่ยนะนะอันนี้เรื่องวันนี้พูดถึงเรื่องรูปกับนามสองตัวนะในรายละเอียด น, นะยังไม่ได้ไปเรื่องอื่นนะรูปสรุปอีกทีหนึ่งรูปคือกายนี้เราจะรู้แบบไงแงของวิปัสสนาคือรู้อาการของมัน ไม่ใช่ไปรู้เป็นดุนเป็นแท่งเป็นอักเป็นก้อนของมันอันนั้นใครก็ได้ก็รู้เรื่องนั้นน่ะไม่ไปรู้ชื่อรู้เสียงรู้ว่าไปจากไหนอันนั้นเป็นเรื่องของภายนอกเรื่องของสมมติแต่เราต้องการเอาตัวปรามัดคือตัวอาการวัตถุปรามัตดอาการท่านบอกเราแล้วนี่ให้รู้อาการของมันอาการมันเป็นอะไรเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อ่าอาการมันเป็นทุกข์รู้แล้วเป็นทุกข์ทำไงทุกต้องกําหนดรู้ ทุกต้องศึกษาทุกต้องทําความเข้าใจสมุทัยคืออยากจะให้มันทุกมันเป็นอย่างโน้นอย่าง น, น, างนี้ต้องอย่าไปทําอย่างนั้นอย่าไปอยากเมื่อทุกแล้วก็แก้ไขมันใช้มัดเข้าไปแก้มัดคือทําบ่อยๆคือแก้ไขบ่อยๆกำหนดรู้บ่อยๆเรียนรู้บ่อยๆปรับไปเท่าที่ทําได้แล้วก็เนโรธคืออาการที่มันหายทุกแหละ เข้าใจมันชัดๆเห็นมันชัดชัดว่ามันดับไปยังไงมันนิโรธไปยังไงอาการนั้นนะตอนแรกให้เรียนรู้เรื่องรูปซะก่อนให้ศึกษาเรื่องรูปให้ชัดๆัดซะก่อนเมื่อเราไปดูเรื่องนามเรื่องจิตเรื่องใจหรือนามรูปเนี่ยมันจะง่ายแต่ส่วนใหญ่เราไม่ชอบเรียนรัดรัดไปรัดมามันหลงเลยอ่าชอบเรียนรัดคือหมายความว่าใจร้อนความโลภอยากได้เพราะคนสุวรรณเป็นวัตถุนิยมก็ทําอะไรก็อยากจะได้ให้เงินไวๆอ่ะแต่เรื่องของธรรมะมันไม่ใช่ไวไม่ได้ มันต้องเป็นไปตามธรรมชาติต้นมะขามเนี่ยเราปลูกวันนี้อีกเดือนหน้าอย่าให้มันเป็นฝักมันไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่ของเราปลูกเดือนนี้บางทีสิบปีนี่มันเป็นฝักแต่หน้าที่ของเราก็คือร้นนําใส่ปุ๋ยพ่ดินเท่านั้นไอการที่จะเป็นฝักเป็นลูกเป็นต้นเป็นดอกเมื่อไหร่เป็นเรื่องของมันเราก็การมีหน้าที่ที่จะทํารักษาสัทธาและความเพียรเอาไว้อย่างเข้มแข็งส่วนมันจะเกิดมะเกิดผลมันเป็นเรื่องของมันเราทําเหตุให้ถูกต้องเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าลืมในส่วนที่ ให้เห็นเป็นรูปตัวนี้ก่อนในรูปต้องดูในแง่ของว่าเป็นความรู้สึกที่เป็นทุกขเวทนาและทุกขเวทนาตัวนี้เตือนให้เราเห็นว่ามันเป็นภาวะที่ทนไม่ได้เราก็เข้าไปแก้มีสติกําหนดรู้แล้วแก้แก้ไขไปทุกทางกายก็หายแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นมาคือความรู้สั่งสุงมือเทเลนิดเลยนิดและความรู้อันนี้ต่อไปมันจะไปรู้ที่ใจด้วยความรู้ที่ได้จากกายเนี่ยมันจะไปรู้ใจด้วย แต่มันต้องสังสมไปจากกายก่อนเพราะฉะนั้นพอกายเนี่ยมันมีอาการทุกข์ให้เห็นตลอดเวลาแต่ใจบางครั้งมันก็มีบางครั้งก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะไปดูใจไม่ได้เพราะอะไรบางครั้งมันปรากฏบางครั้งไม่ปรากฏแต่กายของเราเนี่ยปรากฏตลอดเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้ปรากฏทุกข์ให้เห็นตลอดเราก็ดูเท่านั้นเองให้เป็นพื้นดูรูปนามเพราะนันอารมณ์รูปนามถึงเป็นอารมณ์ที่เบื้องต้นก็จริงแต่มีความสําคัญมาก ถ้าเราเข้าใจไม่ถูกมันไปคนละเรื่องเลยปฏิบัติธรรมมาตลอดชีวิตไม่ไปไหนะ่ะวนอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรเพราะพื้นฐานไม่ไม่ถูกอ่าเรื่องลูกน้ําไม่ชัดไม่แจ้งอ่าเพราะฉะนั้นต้องว่าเรื่องนี้ให้แจ้งให้ชัดทีเดียวนะเรื่องลูกนามนะมองข้ามไม่ได้ทีเดียวนะอันนั้นเองให้ไปรู้แก้ไขตัวเองดูว่ามันปวดเนี่ยรู้ไว้ว่ามันปวดยังไง ปวดหนักหรือปวดเบาปวดเล็กปวดน้อยปวดแล้วจะรู้ไหมว่าจะให้มันหายไปได้อย่างไรหรือจะทนให้มันอยู่อย่างนั้นเอาอสตินี่เขาไปรู้ไอ้ตัวนี้ต้องทำเรื่อยๆตัวความรู้สึกตัวนี้คือแสงสว่างนะส่องให้เห็นนะไอ้การยกมือสร้างจังหวะนี่มันเหมือนกับการหมุนใดอ่ะหมุนให้เห็นตลอดเวลาสมัยก่อนนะเราพอใดหมุนดับไฟดับรึเปเลย เราป่อนไฟขึ้นดีฟไฟสว่างขึ้นอีกเหมือนกันเราการกําหนดรู้เนี่ยสร้างแสงสว่างขึ้นมาตัวรู้คือตัวแสงสว่างอโลโกโลแล้วก็แสงสว่างนี้ไปส่องดูกายก่อนต้นแรกเพราะมันแสงสว่างน้อยๆมันยังไม่เยอะต่อไปแสงสว่างนี้มันเข้มแข็งมันก็จะไปส่องดูใจเป็นตามดูใจเป็นใจมันไปไหนวันเนี้ยมันคิดกี่เรื่องอ น, นั่นคือในขั้นตอนต่อไปเราจะพูดกันนะ เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอสําหรับเรื่องของเรื่องรายละเอียดเรื่องรูนะ้นมก็ยังไม่ลงลึกนะก็ขออนุมโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกพ่อแม่ผู้ญาติยายประสงครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ตั้งใจฟังอย่างทารุอดทนมีสิ่งใดที่ไม่สุขอารมณ์หรือขัดข้องในจิตใจก็ขออภัย และมีสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์เป็นสาระที่จะนำไปฝึกฝนปฏิบัติให้เกิดความจริงให้เห็นความจริงในกายในใจของตนเอง<ม>ก็เอาไปทำให้เข้าใจแล้วสามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานโด้กันทุกคนทุกท่านคือ